มีฝรั่งคนหนึ่งนะจะเรียกว่าเขาเป็นนักประจนภไยก็ไม่เชิงนะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำนี่มันก็เหมือนกับเป็นการประจนภไยนะคือเขามีรถเต่าอยู่คันหนึ่งเนี่ยสมโสมนะแล้วก็เขาเริ่มออกเดินทางจากเหนือสุดนะของทวีอเมริกาเหนือคืออารัสกานะ อสการนีมันอยู่เหนือสุดเลยนะของอเมริกาเหนือแล้วเขาขับรถลงมาจุดหมายคือใต้สุดของอเมริกาใต้ก็คือออเรนตินานะถนนนี่ก็ยาวนะเกือบห้าหมื่นกิโลเมตรนะสี่มืนแปดันกิโลเมตรก็ใช้เวลาหลายเดือนนะที่น่าสนใจคือว่า เขาไม่พกเงินเลยเขาตั้งใจไม่ติดเงินเลยนะถ้าผู้ภาษาได้คือแม้แต่บาทเดียวแล้วเขาก็คาดหวังว่าเนี่ยเขาจะเอาชีวิตรอดให้ได้และถึงจุดหมายเนี่ยโดยอาศัยน้ำใจของผู้คนระหว่างทางคือเขาอยากจะรู้ว่าเนี่ยคนเราถ้าไม่มีเงินสักบาทเลยหรือไม่มีเงินสักเหรียญเลยเนี่ย จะอยู่รอดได้ไหมจะอาศัยน้ำใจของผู้คนระยะทางเกือบ5้า0ม่นกิโลเมตรเนี่ยได้ไหมแล้วเขาคงคิดว่ามันได้นะเขาก็เลยทดลองแล้วเขาก็พบว่ามันก็ได้จริงๆนะไม่มีเงินสักบาทไม่มีเงินสักเหรียญใช้วิธีการขอนะ ขอข้าวกินขอที่พักขอค่าน้ำมันก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะสมัยนี้เนี่ยไม่มีใครที่จะให้อะไรง่ายๆโดยที่ไม่มีผลตอบแทนแต่เขาก็ทำได้นะจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางคือใต้สุดของอเมริกาใต้เนะี่ยแล้วก็พบอย่างหนึ่งนะ ที่จริงพบหลายอย่างนะอย่างนึงคือว่าคนในเมืองเล็กเนี่ยนะเขาจะมีน้ำใจมากคนในเมืองใหญ่ในเมืองใหญ่เนี่ยขอข้าวขออาหารนี่ยากนะแต่ในเมืองเล็กเนี่ยขอข้าวขอที่พักเนี่ยง่ายกว่าแล้วก็พบอีกอย่างนึงนะว่าคนจนเนี่ยจะมีน้ำใจมากกว่าคนรวยเขาเคยไปขออาหาร ตามย่านที่ผู้คนมีฐานะไม่ได้เลยนะแต่ว่าวันหนึ่งเข้าไปเจอเพิงเจอร้านหรือแผงลอยเล็กๆอยู่ในตรอกในซอยเขาบอกขออาหารกินได้ไหมแม่ค้าเนี่ยนอกจากให้อาหารเขาแล้วนะยังชวนเ็าเนี่ยไปพักที่บ้านนะเพราะรู้ว่าเนี่ยผู้ชายคนเนี้ คือเป็นชาวอังกฤษเนี่ยไวกลางคนไม่มีที่พักนะเป็นคนเดินทางเป็นคนแปลกหน้าไอ้บ้านของพีงคนนี้เนี่ยนะมันก็เป็นเพิงเล็กๆนะมีคนอยู่ต้องห้าคนเขาได้อาหารเขาได้ที่พักพอเขาจะกลับเนี่ยหรือเขาจะเดินทางต่อเนี่ยเขาบอกขอบคุณมากนะแล้วก็อยากจะตอบแทนน้ำใจ ผู้หญง ก, ก็บอกว่าไม่ต้องหรอกนะฉันให้ฟรีฉันให้เปล่าผู้ชายนี้ก็ถามว่าแล้วทำไมเนี่ยถึงมีน้ําใจแบบนี้ผู้หญิงก็กบอกว่าเนี่ยฉันนะเคยยากจนมาก่อนที่จริงตอนนี้ยังยากจนนะแต่ว่าเขาบอกเนี่ยฉันเคยยากจนมาก่อนแล้วก็รู้ว่าชีวิตที่ยากจนนี่มันลําบากอย่างไรแล้วก็พอแม่ก็สอนวันเนี่ย ต้องรู้จักช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอนะอันนี้ก็คือประสบการณ์ที่เขาได้รับนะจากการเดินทางเป็นเป็นแรมเดือนนะที่เขาอยู่รอดได้ในพะน้ำใจของผู้คนโดยเฉพาะคนในเมืองเล็กคนในหมู่บ้านแล้วก็โดยเฉพาะคนยากคนจนมันก็น่าคิดนะว่าทำไมคนยากคนจนเนี่ยเขาถึงมีน้าใจทั้งที่เขาเองก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วกลายเป็นเพราะว่า คนยากนจนเนี่ยรู้รสชาติของความหิวโหวยรู้รสชาติของการไม่มีที่หลับที่นอนพู้ง่ายคือรู้รสชาติของความยากลําบากแล้วก็รู้ในวันเนี่ยการที่จะรับความช่วยเหลือความมีน้ําใจจากคนอื่นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับโชคหรือเหมือนกับเป็นพร น, นันบเสิร์ดเลยคนที่ยากลาบากนะแล้วก็พอได้รับความช่วยเหลือ คนอื่นนะซึ่งเป็นคนแปลกหน้าเนี่ยมันมีความสุขมากเลยนะมันเหมือนกับ น, น้ําทิพนี่ที่ชะลมใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเจอคนที่ทุกข์ยากเนี่ยคนยากคนจนเขาจะรู้เลยนะถึงหัวอกของคนเหล่านั้นว่าลําบากอย่างไรแล้วก็รู้ได้ว่าเนี่ยถ้าช่วยเขาแม้เพียงเล็กน้อยเนี่โอ้มันจะช่วยทําให้เขามีกําลังใจมากเลย ก็เลยหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ผู้ชายคนนี้เนี่ยแกเล่าว่าที่แกมีความคิดหรือมีโครงการเนี่ยก็เพราะว่าตอนเด็กๆ เ, เนี่ยนะถูกคนแกล้งถูกคนเอาเปรียบสมัยนี้เรียกว่าบูลลี่นะแล้วก็รู้สึกขับแคลนแล้วก็อดไม่ได้ที่จะคิดว่าเนี้ยคนทั้งโลกเป็นแบบนี้หรือ แต่ใจหนึ่งก็คิดว่าเนี่ยคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกคนดีๆคนมีน้ำใจก็น่าจะมีนะไม่ใช่มีแต่คนเห็นแก่ตัวอย่างเดียวแล้วเขาก็เลยอยากจะพิสูจน์ว่าเนี่ยในโลกนี้มันจะมีคนมีน้ำใจจริงหรือเปล่าหรือว่ามมีแต่คนเห็นแก่ตัวพาก็ดีนะก่อนที่เขาจะสรุปนะว่าคนทั้งโลกเนี่ยมันเห็นแก่ตัว เขอยากจะพิสูจน์อยากจะ ท, ทดลองดูก่อนว่าจริงไหมแล้วเขาก็พบว่าไม่มันไม่จริงไงคนมีน้ําใจก็มีเยอะแยะน้ําใจแต่คนแปลกหน้าให้อาหารนะให้ที่พักให้ให้เงินเป็นค่านน้ํามันนะแล้วก็ให้อะไรต่ออะไรสารพัดอย่างมันมีอยู่นะแล้วก็บอกว่าน้ําใจเนี่ย ได้จากคนยากคนจนนี่ไม่น้อยเลยอันนี้ก็ทําให้นึกถึงประสบการณ์ของคนไทยคนหนึ่งนะจะเป็นอาจารย์หมอเลายัยแล้วก็ไปทําปริญญาเอกที่ประเทศฟิลิปปินส์เรื่องนิพนธ์ของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องคนจอนจัดหรือคนไร้บ้านนะอยากจะรู้ว่าคนไร้บ้านนี่เขาอยู่กันอย่างไรนะแล้วก็ไปเรียนรู้นะที่ประเทศฟิลิปปินส์ วิธีการก็คือปลอมตัว เ, เป็นคนไร้บ้านแล้วก็ไปใช้ชวิตปักตนอยู่กับคนไร้บ้านในฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในกรุงมนิลาแล้วเขาได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะเกี่ยวกับคนไร้บ้านเนี่ยและประสบการณ์อย่างหนึ่งที่เขาประทับใจคือความมีน้ำใจเวลาก็อยู่กับคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็พกเงินไม่มากนะแล้วก็ไม่แสดงตัวเป็นนักศึกษา ก็ใช้ชีวิตอย่างยากจนนอนข้างถนนเหมือนกับคนอื่นแล้วก <power. S 1> like ็จะกินอาหารก็บางทีก็ไปขอเอาจากโบสถ์ที่เขามีการแจกอาหารมีคราวหนึ่งเนี่ยนะเขาจะไปหาเพื่อนเพื่อนๆเนี่ยที่เป็นคนไร้บ้านพอรู้เข้าเนี่ยก็ถามเลยว่ามีเงินไหมมีเงินค่ารถไหม บางคนเนี่ยควักเงินให้เลยนะห้าเปโซสิบเปโซบอกเ อ, เอาไปเอาไปเถอะเผื่อตกรถจะได้มีเงินใช้เดินทางโอ้ยมีน้ำใจมากเลยนะทั้งที่คนไร้บ้านนี่ก็ไม่ค่อยมีเงินอยู่แล้วแต่พร้อมจะควักเงินให้กับเพื่อนซึ่งก็เป็นคนต่างชาตินะเขาก็เลยเป็นคนไทยแต่ก็ไม่ได้สงสัยทําไมคนไทยนี่ถึงมาเป็นคนไร้บ้านเขาคงให้เหตุผลว่าเนี่ยไม่มีเงิน ไม่มีเงินกลับบ้านนะก็เลยต้องม า, เ, าเป็นคนไร้บ้านในกรุงมนิลามีขาหนึ่งเ้าไม่สบายนะเพื่อนที่เป็นคนไร้บ้านก็ถามว่าเป็นอะไรมียากินไหมอย่างนี้ต้องกินยาพารานะหายาพารามาให้อีกคนหนึ่งบอกว่าพาราเนี่ยมันต้องกินหลังอาหารนะกินข้าวแล้วยังสงสัยก็ไม่ได้กินข้าวเลย เอาไปเลยนะยี่สิเปโซให้เลยนะโดยที่ไม่ทันขอเนี่ยทั้งที่เจ้าตัวเองก็ไม่ค่อยมีเงินอยู่แล้วผมก็พบเลยนะว่าคนยากจนเนี่ยมีน้ําใจมากนะไม่ค่อยได้คิดถึงตัวเองเท่าไหร่ตอนหลังนี้เขาก็ก็ต้องเปิดเผยตัวเองนะว่าเป็นนักศึกษาปริญญาเองแล้วก็ขอบคุณขอบอกขอบใจเพื่อนๆ น, นที่เป็นคนไร้บ้านมาก ให้ความมีน้ำใจเนี่ยมันหาได้ง่ายเ่อจากคนยากคนจนเพราะว่าพวกนี้เขารู้ว่ารสชาติความทุกข์ยากเป็นอย่างไรแล้วก็รู้ว่าความช่วยเหลือแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรเขาเคยมีความสุขไม่ได้วความช่วยเหลือจากคนอื่นเขาก็อยากจะแบ่งปันความสุขนั้นให้กับคนอื่นบ้างเวลารู้ว่าเขาเดือดร้อนอีกคนหนึ่งหน้าที่ทำคล้ายๆกับฝรั่งคนเนี้ย แต่ว่าไม่ได้ทําแบบขับรถเดินทางไกลห้าหมนกิโลนะแต่ว่าใช้วิธีเดินเท้าจากเชียงใหม่ไปสมุนนะสมุยคืออาจารย์ประมวลเพ่งจันทนะเดินเท้าเมื่อสิกาปีก่อนนอกจากไม่พกเงินแล้วนะยังมีกติกายอย่างหนึ่งนะคือจะไม่ขอฝรั่งคนที่ว่านี่ยังขอนะแต่อาจารย์ประมวลบอกจะไม่ขอเลย เอาชีวิตเนี่ยฝากไว้กับความเมตตากรุณาของผู้คนสองข้างทางล้นๆนเลยและจะไม่แวะไปบ้านคนที่รู้จักด้วยเพราะว่าตลอดเวลานี่สองเดือนนะระยะทางพ0 0กว่ากิโลเมตรนี่เดินเท้าเพราะว่าไปถึงสมุยได้นะเพราะว่ามีคนช่วยเหลือเ อ, อื้อเฟื้อตลอดเส้นทางเลยทั้งที่ไม่ได้ขอ แต่ว่าคนเขาเห็นสารรูปแล้วเนี่ยก็มีคนถามเลยนะกินอะไรมาหรือยังบางทีก็ยัดให้เลยนะอาหารบางทีก็ให้เงินยิ่งเห็นแกแต่งตัวปอนๆเพราะว่าเดินทางมาไกลบางคนก็นึกว่าเป็นคนบ้าแต่ว่าก็ให้นะเห็นเดือดร้อนบางทีจ่าบะมัวนี่สลบเลยนะไม่มีอาหารกินนะ คนรู้นี่เขาก็ช่วยเลยนะไปหาอาหารมาให้ก็ส่วนใหญ่นะก็เป็นคนที่อ่าเป็นคนยากคนจนที่พอมีฐานะหรือว่าเป็นคนชั้นกลางก็พอมีบ้างเห็นสารรูปแล้วแต่ส่วนใหญ่เป็นคนยากคนจนเพราะคนยากคนจนนี่เขาไม่ค่อยกลัวนะคนที่แต่งตัวปอนๆโส ม, ส, มส่วนหนึ่งเพราะรู้ว่าตัวเองก็ไม่มีอะไรจะให้เหมือนกันไม่มีอะไรจะสูญเสียแล้วคนที่มีเงินเนี่ยก็กลัวนะคนที่แต่งตัวปอ น, ปอนๆเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นมิจฉาชีพไหม หรือว่ากลัวว่าจะเป็นขโมยไหมตัวเองมีเงินเยอะก็กลัวจะสูญกลัวจะสูญเสียแต่คนยากนจนนี่เขาไม่ไม่กลัวนะเพราะเขาไม่มีอะไรจะเสียนะแต่มีน้ำใจที่จะให้อันนี้เรียกว่าคนเนี่ยยากจนก็จริงแต่รวยน้ำใจนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ช่วยให้สังคมเนี่ยและโลกนี้มันอยู่ได้นะถ้าไม่มีคนที่มีน้ำใจนี้โลกนี้มันคงจะเหมือนกั น, นรกเลยก็ว่าได้